สังโฆเมสรนางวรัญจเตสำหรับคนที่มาอยู่ที่นี่นี่ก็คงจะได้หัดปฏิบัติฝึกฝนจิตใจกันมามากไม่มากก็น้อยนะเวลาเราปฏิบัติธรรมโดยมากเนี่ยคนก็จะนึกถึงว่า เราอยากปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้มีความสุขมากขึ้นเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่ลดลงเวลาเราทำงานเราก็อยากที่จะมีปัจจัยมากเป็นเศรษฐีการที่เราปฏิบัติธรรมเราก็อยากที่จะมีความสุขแต่ถ้าเรามองในภายนอก เราก็จะรู้สึกว่าการที่เราทำงานมีรายได้มากมากก็จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตแต่ถ้าเรามองกลับกันการที่เรามาอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้สำหรับคนที่มีรกรากตั้งรกรากที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆบางครั้งเราก็าอาจจะรู้สึกว่า เราอาจจะไม่ได้มีรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมเหมือนคนในกรุงความร่ำรวยความมั่งคั่งของเราก็คงมีไม่เท่าแต่ที่สิ่งที่มันได้สิ่งที่มันแลกกันมาคือใจเราดีแหละคนเราปรารถนาความสุข แน่นอนว่ามันมีทั้งความสุขทางกายและก็ความสุขทางใจเราอยู่ในเมืองกรุงสิ่งที่เราได้มาก็คือความสุขทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายแต่การที่เราได้ออกมาจากเมืองมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับความที่ไม่ปรุงแต่งมาก เราก็จะรู้สึกได้ถึงความสงบประงับความวุ่นวี่วุ่นวายที่มันได้สบงบประับเบาบางลงไปในนรณาคนในกรุงเขาอาจจะเป็นเศรษฐีปัจจัยสี่ก็ดูเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับบางคนบางท่านแต่สุขทุกข์ของคนเราเนี่ย ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานต่อให้เรากินข้าวอิ่มมีที่นอนที่หับที่ดีร้อนก็มีแอร์หนาวก็มีผ้าห่มอย่างดีแต่อยู่แล้วใจเราเร่าร้อนรุ่มร้อนชีวิตก็ชื่อว่ามีความสุขน้อยมีความทุกข์มากแต่ในตำนองกลับกัน ในการที่เรามาีปัจจัยสี่พอสมเก่ฐา น, นะของตนของตนมีรายได้สองหมื่นก็มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นที่มันสมควรเก่ยฐานนะของคนที่มีรายได้สองหมื่นเพราะนั้นกันที่เรามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อย่างสมฐา น, นะก็เป็นเรื่องดี อาจจะไม่เท่าเขาอาจจะไม่ประหนี่เท่าเขาแต่ถ้าเรามีความสุขใจมีความสงบประงับที่มันปรากฏขึ้นอยู่ในใจอันนี้ก็จึงขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ร่ำรวยร่ำรวยความสุขเราก็เป็นที่น่าอิจฉามากกว่าคนที่มีความร่ำรวยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มีความทุกข์ทางใจที่ มากขึ้นเร่าร้อนชีวิตเร่าร้อนชีวิตวุ่นวายชีวิตสับสนเพราะ้นความสุขทางใจจึงเป็นความสุขที่สำคัญยิ่งยวดกับเราท่านทั้งหลายแต่การที่เราจะเอาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาทดแทนให้เป็นความสุขทางใจอันนี้ก็ยังขึ้นชื่อว่า เป็นผู้ที่หาความสุขยังไม่ถูกจุดเท่าที่ควรเพราะความสุขทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบางครั้งเราก็หาได้บ้างหาไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ครั้งไหนถูกใจพอใจยินดีก็ไปเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจก็ขึ้นชื่อว่ามีความสุขใจแต่สิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ตอบสนองเราได้ทุกครั้งแต่สิ่งที่การการที่เราได้รับการฝึกฝึกใจของเรารู้วิธีที่ว่าความสุขของเรามันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาเรื่องใจของเราเราก็จะหาความสุขทางใจได้มันถูกต้องตรงจุดมากขึ้น แล้วเราจะมีวิธียังไงในเมื่อเราพูดว่าความสุขของใจเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราเคยเห็นใจของเราหรือเปล่าการที่เราจะเห็นใจของเราได้ชัดเจนสิ่งแรกเบื้องต้นก็คือสติที่เราควรจะต้องมีสติที่เรามีไม่ว่าจะลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีมันก็ต้องแจ่มชัด ไม่ให้สติที่เรามีอยู่หลับตาไปแล้วก็แชร์เชื้อไปแต่สติที่เรามีหลับตาและลืมตาไม่ต่างกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้ามันแชร์เชือ้อเรือนลางไปนะถามว่ามันไม่มีประโยชน์หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่างน้อยๆก็ได้เป็นการพักพักใจของเรา แต่ถ้าในขณะที่เราหลับตาแล้วสติที่เรามีก็ยังเจ่มชัดยังรู้ชัดอันนี้จึงเป็นเหตุที่ดียิ่งขึ้นไปอีกที่จะทำให้เราเห็นเห็นใจของเราเห็นอารมณ์ในใจของเราเห็นพฤติกรรมของใจของเราพอเราเห็นแล้วเราก็จึงรู้พอเรารู้แล้วเราก็รู้มากขึ้น พรู้มากขึ้นเราได้ฟังธรรมในสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่าอะไรคือทางที่ดีอะไรคือทางที่ไม่ถูกอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นเหตุของความดีเราก็จะได้ทําความเข้าใจทําความแจ่มแช้งแจ่มแจ้งในคําสอนให้มันปรากฏขึ้นในใจเราได้มองเห็นทุกสิ่งที่เราสัมผัสที่ใจของเรา ได้อย่างตามความเป็นจริงที่มันเป็นแต่การที่เราเป็นทุกข์อยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นแต่เรารู้เราเห็นในแบบที่สมมุติมันพาไปอย่างสมมติของโจนก็จะบอกว่า ปล้นดีฆ่าดีชอบโกมดีอย่างนี้เหล่านี้เป็นตน้นแต่สมมติฝ่ายดีใน่พระเจ้าแจ้งเอาไว้ก็คือเราไม่รักของใครเราไม่ฆ่าใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเป็นสัตว์ไม่โกหกมีคู่ก็มีคู่เดียวไม่นอกใจคู่ของเราสิ่งที่จะทําให้สติของเรามันมัวเมาไป เละเลือนไปอย่างเช่นการดื่มของดองของเบลเป็นต้นเราก็ละเว้นหลีกเว้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่พอลืมตาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าสติของเราเนี่ยมันชัดขึ้นนะเพราะว่าห้าทุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะง่วงนอนเพราะฉะนั้นสติที่เรามีมันก็จะแช่เชียนไปเพราะฉะนั้น ก็ถือโอกาสดีที่เราจะได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่พยายามประคองสติของเราขึ้นมาใหม่ให้หลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดซึ่งไอการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติกันอยู่เนี่ยก็มีวิธีตั้งหลายอย่างอย่างหลวงพ่อสอนก็ดูลมหายใจพุทโธด้วยแต่ถ้าใครที่เคยชิน กับการดูลมก็ดูลมใครชินกับการพุทโธก็พุทโธหรือแม้แต่บางคนจะพุทเข้าโธออกก็แล้วแต่แต่สำคัญอยู่ที่ความใส่ใจความตั้งใจเวลาที่เราปรารบความเพียรเนี่ยความเพียรนะความเพียรสัมมาวายามะทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีวิธีการที่มันถูกต้องเหมือนกัน แน่นอนว่าถ้าในตํำรับตาราก็จะบอกว่ากุศลที่ยังไม่เกิดนะก็ทําให้มันเกิดขึ้นกุศลทีเ่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นไปอีกกุศลละรัม ท, ที่ไม่เคยเกิดก็อย่าทําให้มันเกิดกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็ทําให้มันดับไปแต่นี้เขาเรียกว่าเป็นหลักการนะหลักการแต่ถ้าเราไปเปิด หรืออ่านในตําราให้ดีนะมันก็จะมีวิธีการอยู่ด้วยอย่างถ้าใครสวดมนต์ได้จำบทสวดมนต์ได้มันก็จะมีอยู่ว่าชั่นดังชะเนติวายามติวิริยังอารพติจิตตังปกันหาติปะระหาติอันนี้เป็นวิธีการชั่นดังชะเนติก็คือยังฉันทะให้เกิดขึ้น ก็คือทำความพอใจในการงานที่เรากาลังทาอยู่ตอนนี้ให้เกิดขึ้นมีความใส่ใจในการงานที่เรากาลังทาอยู่ณตอนนี้อย่างตอนนี้เราดูลมหรือเราบริการพุทโธก็ให้ใจของเราเนี่ยมันจดจ่ออยู่ตรงนั้นใส่ใจอยู่ตรงนั้นอย่าปล่อยให้กระแสของใจของเรามันเลื่อนลอยไปไหนเลื่อนลอยออกไปทางความคิดก็ดี เลือล่อนลอยออกไปทางอดีตก็ดีเลือล่อนลอยออกไปทางอนาคตก็ดีดึงมันกลับมามีฉันทะมีความพอใจในทุกๆประโยคของการบริกรรมก็ดีหรือทุกๆประโยคของการที่เราจะดึงลมเข้าดึงลมออกก็ดีและสำคัญก็คือให้สติเนี่ยมันอยู่ตั้งอยู่ที่จมเพาะหน้าของเราทําสติให้มันแจ่มชัด ชันดังชนติยังความยินดีให้มันเกิดขึ้นวายมามติถ้าก็แปลในตำราก็ปราความเพียนนะทําความเพียนต่บอกแต่ถ้าดูแล้วมันจะยังไม่ค่อยลงใจเนี่ยคืออย่างถ้าเราบริกา ร, รพุทโธชั้นดังชนติเรามีความตั้งใจที่เราจะบริกา ร, รพุทโธออกมา วายมติคือนึกว่าเราจะพุทโธแล้ววิริยังอารัปติปรารบความเพี่ยนฟังดูมันก็ยังเป็นตำราอยู่นะก็หมายถึงว่าเราวิริยะนี่มันแปลว่าความกล้านะกล้าปรารบความกล้าไงหมายความว่ า, วาใจเราที่มันเลื่อนลอยไปไหน เรา ก, กล้าที่จะหักมันกลับมาอยู่ที่พุทโธของเราอยู่ที่พุทโธ ท, ที่สติเฉพาะหน้าของเราพอมันมาอยู่แล้วเนี่ยจิตตังปะกันหาติก็คือประคองจิตของเราไว้ให้อยู่ในประโยคพุทโธนี่แหละประคองอารมณ์ให้อยู่กับพุทโธนี่แหละ อารมณ์ที่ไหนอารมณ์ในใจของเราไม่ใช่อารมณ์ที่ความคิดนะอารมณ์ความรู้สึกในใจของเราความตั้งใจของเราที่อยู่กับพุทธโธนี่แหละปัจจหาิก็คือตั้งเอาไว้ประคองเอาไว้ตั้งเอาไว้ทรงเอาไว้ในทุกๆประโยคของการกระทําไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะเป็นการนึกพุทธโธก็ดีก็ทําอย่างนี้ ฉันดังชนเนติวายามติบิริยังอารพติจิตตังปะกันหาติปะหาติหนึ่งรอบของการพุทโธก็เป็นอย่างนี้พุทโธนใหม่ที่เรากำลังจะบริกรรมก็ให้มีความตั้งใจเป็นพื้นเพื่ออะไรเพื่อที่สติของเราเนี่ยมันจะได้ไม่แช่เชื่อเลื่อนหลงไปไหน สำหรับบางคนที่เข้าสมาธิไปแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปปล่อยใจไปพอมีความสงบเกิดขึ้นแล้วฉันทะคือความพอใจที่อยู่ในการงานของเรามันก็หายไปพูดง่ายคือปล่อยเนื้อปล่อยใจไปไปอยู่อะไรไปอยู่กับความสงบบ้างไปอยู่กับความเฉยเฉยบ้าง หรือบางครั้งเราไม่รู้ตัวมันก็โผล่มาเป็นความคิดแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดว่าใจของเรามันหลุดไปแล้วสัมมาวายามะของเรามันพังไปแล้วเพราะชันทะมันไม่ได้เกิดขึ้นในการงานที่เราจะให้มันตั้งเอาไว้ที่จิตของเราที่สติของเรา แต่ก็ไม่เป็นไรนเมื่อรู้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่สร้างฉันทาให้มันเกิดขึ้นขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปใส่ใจกับอดีตความพลาดความผิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำานปัจจุบันตอนนี้แหละความใส่ใจความตั้งใจที่มีความจดจ่อที่มีเราก็ตั้งเอาไว้ พอทําได้อยู่อย่างนี้ใจมันก็สงบลงไปสงบแบบที่มีสติรู้ตัวอย่างแจ่มชัดมีสติเห็นอารมณ์อยู่ในใจของเราว่าความสงบเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สงบแบบมีสติเลื่อนลอยเจือจางสงบยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ดี แต่ถ้าเราประคองสติของเราอยู่ให้มันแจ่มชัดอยู่ได้อารมณ์ในใจของเราจะว่างอารมณ์ในใจของเราจะสงบยังไงเราก็เห็นอยู่ตลอดเวลามันจะเผลอออกไปทางไหนเราก็ทราบได้รู้เท่าทันไม่ใช่ว่าเผลอออกไปนานๆแล้วจึงเท่าทัน ในทุกๆประโยชนของการตั้งใจเราในการบริกรรมของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราคอยอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วของจิตที่มันจะมีช่องที่ทำให้กระแสของใจของเราเนี่ยมันไหลออกไปเฉั้นถ้าเรามีพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีปิดช่องมันเอาไว้สติเราก็จะสว่างแจ่มชัดออกมาเห็นความสงบที่มัน เยือกเย็นละเอียดประณีตลึกซึ้งเป็นความสุขอันละเอียดประนีตที่เราไม่ต้องไปพึ่งพิงอิงอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการที่เราจะมีความสุขอยู่ในภายในเป็นความสุขที่ดีละเอียดประนีตแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งทีวีโทรทัศน์ พึ่งโรงหนังโรงลิเกต่างๆไม่ต้องพึ่งพึ่งที่ใจของเราเนี่แหละแต่ถ้าเราสังเกตว่าเราเข้าวัดจิตใจเราก็สงบดีแต่พอกลับไปบ้านเจอกิจวัตรประจําวันชีวิตประจําวันในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราเคยเป็น ความสงบที่มีความละเอียดประณีตของใจความสุขที่เราเคยได้ก็ลดน้อยถอยลงไปสุดท้ายก็มาคิดได้ว่าเออเราน่าจะเข้าวัดนะเราน่าจะหาเวลาไปปฏิบัติธรรมบ้างนะพักผ่อนใจบ้างชาร์จแบตให้ใจบ้าง แต่เหตุของการที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรารักษาใจของเราได้ไม่ดีเพราะนั้นที่มันดีอยู่แล้วมันก็เลยลดน้อยถอยลงไปแล้วการที่เราจะรักษาให้มันดีเนี่ยมันยังไงแน่นอนว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยปัจจัยสี่มันต้องมีแต่อย่าลืมว่ามันมีกายแล้วมันก็มีใจเพราะฉะนั้นเราอยากทำงานเฉพาะ ภายนอกอย่างเดียวเราต้องทำงานภายในให้มันควบคู่กันไปด้วยคือรักษาใจเราไปด้วยบางคนบอกว่างานยุ่งงานยุ่งเหลือเกินก็เลยไม่มีเวลาที่เราจะมาดูลมก็ดีหรือมานึกพุทโธก็ดีแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้น เรามีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุนั่แหละเหตุที่เราทํางานภายนอกฝ่ายเดียวพราอเราไม่ได้รักษาใจคือไม่ได้ทํางานภายในจิตของเราก็เสื่อมลงไปสมาธิที่เราเคยมีมันก็เสื่อมลงไปความสงบความสบายความสุขที่มีอยู่ในใจมันก็เลือนรางหายไปแต่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตภายนอก กับชีวิตภายในมันเสมอกันทำงานได้อย่างดีมีความสุขมันก็ต้องทำต้องหาเวลาทำแล้วทำให้มันควบคู่กันไปให้มันได้จากการที่เราในระหว่างวันเราอาจจะทำยากแต่หลังตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยมันทำได้แน่นอนคอยดูลมหายใจคอยนึกพุโทโธอยู่ เพื่ออะไรเพื่อให้ใจเรามันได้กินอาหารคือกินความสงบนี่แหละให้ใจมันได้พักพักจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์ของสมมุติที่มันท่วมทับจิตใจของเราที่เราเก็บสั่งสมมาตลอดทั้งวันแต่มันไม่ใช่ตลอดเฉพาะวันนี้ของเมื่อวานก็มีของเมื่อวานซืนก็มีของวันไหนๆก็มีแต่ถ้าเราไม่ได้มีสติหัดมาเข้าสมาธิเลย มันก็เป็นขยะที่มันหมักหมมอยู่ในใจของเราแต่การที่เรามาทาความสงบให้มันเกิดขึ้นใจมันได้วางวางอารมณ์จากภายนอกวางอารมณ์จากการคิดนึกปรุงแต่งของใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องที่กําลังจะมาถึงในอนาคตความกังวลต่างๆพอเราได้วาง มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจมีสติตั้งมั่นอยู่เฉพาะหน้าของเราใจเราจึงได้รับความสงบเป็นอาหารมีความว่างปรากฏอยู่ในใจพอเราตั้งอารมณ์อยู่ในใจเป็นความสงบได้อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกไปถอดความหนักของสมมติที่มันทับ อารมณ์สมมติที่มันทับในใจของเราได้ถอดออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขาดหมดจดออกไปจากใจเสีเดียวไม่กลับกัเริ่มขึ้นมาอีกได้แต่มันก็เป็นการพักที่ดีเป็นการที่ทำให้ใจของเราได้มีกำลังที่เราจะไปสู้ต่อไปพอจิตของเรา ได้พักได้วางมีความว่างมีความสงบที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเอาความสงบความว่างอันนี้ตั้งเอาไว้เฉยๆเอาความสงบเอาความว่างของใจของเราเนี่ยเอามาตรองไปตรองสิ่งต่างๆเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ย ลองตามสิ่งต่างๆไปให้มันรู้ให้มันเห็นไปตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นอย่าให้มันรู้อย่าให้มันเห็นในแบบที่สมมติมันพาไปแต่ถ้าเราไม่รู้จะพิจารณาอะไรกลับมาดูที่ตัวเรานี่แหละ เอาความสงบที่มีสติที่มันตั้งมั่นอยู่อารมณ์ในใจที่เห็นว่ามันสงบอยู่เนี่ยเป็นบาดเป็นพื้นตั้งเอาไว้ในเมื่อมันว่างอยู่แล้วมันเบาสบายอยู่แล้วลองนึกย้อนหลังลงไปดูว่าการที่เราอยู่ในที่ทำงานเห็นเพื่อนก็นดี เห็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้าก็ดีอารมณ์ในใจณนะตอนนั้นของเราเนี่ยมันหนักมันขุ่นมัวมันเศร้าหมองแต่ณปัจจุบันการที่เรามีสติมีพุทโธเป็นที่พึ่งใจของเราสมบระครับลงไปมีความว่างมีความสบายมีความสุขเกิดขึ้น สองอารมณ์นี้ก็ต่างกันถ้าเรามองดูไปอีกให้มันลึกซึ้งละเอียดเข้าไปอีกเรากับเขาต่างกันแบบไหนเขามีตาไหมเราก็มีตาเขามีฟันไหมเราก็มีฟันกับคนที่เราชอบเขาก็มีเหมือนกันดูแล้วก็อาจจะยังไม่ ไม่แจ่มชัดแต่ถ้าเรามองดูเอาความสงบที่เรามีเนี่ยลองมองออกไปดูต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็เป็นของมันตั้งอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีความสุขความทุกข์ความร้อนอะไรแต่ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยเราไม่สามารถรู้สึกแบบแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นความสงบจึงจําเป็น พอเราสงบแล้วใจเราสบายแล้วมองไปเห็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเป็นจริงได้ว่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเวลาที่ใจเราเร่าร้อนมองเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีความรู้สึกหนักๆแบบหนึ่งเพราะใจเรามันเร่าร้อนรุ่มร้อนแต่พอใจเราสบายใจเราสงบงับตั้งมั่นอยู่มองอะไรออกไปมันก็เบาสบายไปหมด ไม่ว่าจะมองต้นไม้มองรถมันก็มีค่าเท่ากันเห็นหมาเห็นแมวเดินมาก็มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันตรงที่มันก็เป็นธาตุเท่ากันเป็นธาตุสี่เหมือนกันเวลาที่เราเอาหมาก็ดีเอาแมวก็ดีเอาไปเข้าเครื่อง เครื่องปัน่นเครื่องโม่อันใหญ่ๆอย่างงี้นะหรือแม้แต่เอากระทั่งตัวเราก็ดีคนรักของเราก็ดีคนที่เราเกลียดขี้หน้าก็ดีเอาไปเข้าลงโม่นะสับให้ละเอียดคลุกกันให้ดีออกมาเราก็แยกไม่ออกว่าอันนั้นเป็นใครชิ้นนี้ของใครชิ้นนี้เป็นของหมาไหมของแมวไหมหรือเป็นของผู้ชายเป็นของผู้หญิงก็ไม่ทราบ ก็จะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันก็เท่ากันตรงที่มันเป็นก้อนเลือด ก, ก้อนเนื้อแต่ถ้าจะพูดให้มันละเอียดลงไปคือประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะแต่ที่ใจของเราเวลาที่มันไม่สงบระงับมีความไม่รู้ครอบงมอยู่มันก็มองเห็นว่านี่คือในกอ นางขอคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบไอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยังไม่ได้เปิดเอ่ยปากอ้าปากแค่เห็นความรู้สึกในใจเราก็ขุนเคือง ข, ขึ้นมาแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทราบได้เลยนะถ้าเราไม่ไม่เริ่มต้นด้วยสติที่เรากำลังฝึกกันอยู่แบบนี้ล พระธรรมเรามีสติแบบนี้เป็นสัมมาสติแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นใจของเราได้ว่าใจของเราเนี่ยมันกระเพื่อมไปทางไหนไปทางสุขไปทางทุกข์ไปทางยินดีไปทางยินร้ายแล้วถ้าใจของเรามันสงบระงับแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามองออกไปอารมณ์มันก็ยัง ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะมองรถอารมณ์เราก็ตั้งมั่นเป็นอยู่อย่างนี้อารมณ์เป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้มองไปเห็นนายกไปเห็นแม่ชี้แม่ขาวแม่ออกต่างๆก็มีความรู้สึกที่มันยังตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวอยู่ทั้งๆที่ก่อนที่เราจะทําความสงบเห็นคนนี้เราก็รู้สึกอย่างหนึ่ง เห็นอีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอใจที่เรามีความสงบระงับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นมันก็เท่ากันผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีก็เท่ากันแล้วอะไรล่ะแล้วทำไมล่ะก่อนที่เราสงบ เราถึงเหตุไม่เท่ากันความรู้สึกในใจที่มีต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่เท่ากันแต่พอใจเราสงบระงรับแล้วเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกในใจเอาความรู้สึกในใจเนะี่ยมัมีค่าเท่ากันมีอารมณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นที่มันเท่ากันเพราะงั้นความเป็นจริงก็คือมันก็เป็นเท่ากันด้วย สภาวะความเป็นจริงคือมันเป็นท่าสีด้วยในตัวแนละ้วแต่ทำไมเราถึงเห็นท่าสีเหล่านั้นไม่เท่ากันก็เพราะมันมีตัวตัวป่วนก็คือใจของเรานี่เองที่เราให้ค่าให้ความสําคัญมันไม่เท่ากันทําไมเราถึงให้ค่าให้ความสําคัญมันไม่เท่ากันก็เพราะเรามีความไม่รู้คือเรามีความรู้ก็จริงแต่รู้ไปตามสมมติของกิเลส รู้ไปตามในสิ่งที่เห็นว่านี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่คือตัวตนอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นเขาถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยหนทางช่องออกจากความทุกข์ไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เลยช่องทางที่จะออกจากทุกข์ก็จะปิดลง ท, งทันทีแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริง เห็นว่านี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาช่องนี้ต่างหากจึงเป็นช่องที่จะออกจากทุกข์ได้แต่พูดอย่างนี้ก็อาจจะดูเป็นตำราไปนิดหนึ่งถ้ามองดูให้มันเป็นไปตามสภาวะมากขึ้นก็คือส่องลงไปที่ใจของเราก็คือใจเราเยือกเย็นสงบตั้งมั่นอยู่ หันไปทางไหนใจเราก็มีแต่ความว่างมีความสว่างมีความสงบสบายอยู่พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกขึ้นอยู่ในใจว่าสิ่งต่างๆมันก็ตั้งของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นหรือแม้แต่จะรู้สึกว่ามันเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม หรือบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเวลาที่สมมุติมันไม่ท่วมทับใจของเราใจเราก็สบายใจเราก็ไม่หนักแต่พอเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาใจให้ดีสมมุติเหล่านี้มันก็จะท่วมทับเราอยู่เหมือนเดิม ก็เหมือนเขื่อนน่ะที่มันแตกมันก็ปล่อยน้ามาท่วมบ้านเดอนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการรักษาจิตเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอย่าปล่อยให้สิ่งมีค่าที่เราได้มาได้โดยยากต้องมาพังทลายไปต่อหน้าต่อตาของเราอย่าปล่อยให้สิ่งที่ มันดีมันประเสริฐมันละเอียดประนีพังไปต่อหน้าต่อตาของเราเวลาที่มันพังไปต่อหน้าต่อตาของเราแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันจะโดนกิเลสมันเอาไปปุยีปุยยาอีกว่าสิ่งของสำคัญของเรามันหายไปแล้วความอยากมันก็จะเข้ามาโจมตีแล้ว ใจของเราที่มันเคยดีใจของเราที่เคยผ่องใสบัดนี้มันหายไปแล้วความอยากมันก็จะเข้ามาครอบงาจิตใจของเราใจของเราที่มันดีตอนนั้นเราจะเอากลับคืนมาให้ได้เราจะตั้งมั่นเอากลับคืนมาให้ได้ แต่พอเราจะแก้แก้ใจของเราแก้ใจของเราให้กลับไปดีเหมือนเดิมแต่ก็ต้องระวังนะความอยากนี่แหละตัวการสําคัญยิ่งแก้ยิ่งผิดยิ่งแก้ยิ่งออกนอกลูก่นอกทางเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือความอยากกับความตั้งใจนี่มันไม่เหมือนกันนะ เพราะนั้นใจผลของใจมันจะดียังไงหรือมันจะเสื่อมยังไงเราอย่าไปเอาเป็นสาระสาคัญกับใจของเราสิ่งที่สาคัญสิ่งที่เราต้องจดจ่อมุ่งมั่นไว้ไม่ใช่ผลที่ดีหรือผลที่มันเสื่อมแต่สิ่งที่เราจะต้องจดจ่อมุ่งมั่นก็คือเหตุเหตุที่เรากำลังทาอยู่ เรามีชันทะในการที่เราจะดูพุโทโธไหมเราละเอียดประณนีตในการที่เร า, เราจะบริการพุโทโธไหมใจของเรามันแอบนี้จิตของเราเนี่ยมันแอบขโมยหนีไปตอนไหนกระแสของใจของเราเราทราบได้ไหมว่ามันย้อนไปในอดีตรหรือวิ่งไปในอนาคตถ้าเราคอยระมัดระวังอยู่อย่างนี้เนี่ย มันต้องกลับมาตั้งมั่นที่นับปัจจุบันตอนนี้แน่นอนจิตมันมีสภาพสวยอารมณ์ถ้ามันไปสวยอารมณ์ที่ในอดีตหรืออารมณ์ที่มันจะมีเกิดขึ้นในอนาคตที่เรากำลังหมายมั่นเอาไว้อันนั้นมันเป็นเหตุที่ทำให้จิตของเรามันไม่สงบไม่สงบประนับแต่การที่เราทอดอารมณ์ทอดอะไรในความดีในความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็จริงเป็นเหตุที่จะทำให้เรามาอยู่ในปัจจุบัน้ง่ายขึ้นแล้วก็ละเอียดประณีตในวิธีการที่เราจะรักษาจิตของเราให้มันดีขึ้นไปอีกช่องตรงไหนที่มันเคยผิดพลาดเหลี่ยมตรงไหนที่กิเลสมันเอาเราได้เราคอยจดจ่อจ้องดูเราคอยเฝ้าดูเอาไว้ รักษาสิ่งมีค่าอันนี้เอาไว้สติเราต้องตั้งยังไงต้องจดจ่อยอยังไงถึงจะดีท่านก็เปรียบไว้เหมือนการที่เราประคองนะมีบาตเต็มไปด้วยบาตใส่น้ามันไว้เต็มปิมเลยถ้าเกิดเราทำน้ามันหกลงไปเนี่ยก็จะมีคนมาฟันคอเรานะเราก็เดินไปด้วย ก็ต้องคอยระวังว่าใครจะมีมาฟันคอเราถ้าเราน้ามันหกใครจะเดินมากระทบเราน้ามันหกแล้วก็โดนฆ่าตายต้องคอยระมัดระวังอย่างมากรักษาจิตระวังจิตของเราอย่างนี้แหละมีความละเอียดละ อ, อในทุกๆประโยคของการบริกรรมของเราจะช้าจะเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของใจของเราจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้เอาใจของเราเอาสติของเราเอาอารมณ์ในใจของเราเป็นประมาณเป็นผู้ฉลาดในทางการทำการงานเป็นการที่เราไม่ได้ถิ่นตรงซื่อตรงซื่อบือ้อแต่คนปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ฉลาด ผู้ฉลาดในใจของเราเป็นผู้ฉลาดในวาระของใจของเราว่าขณะนี้ใจของเราเป็นลักษณะแบบไหนทำยังไงมันจึงจะเชื่อฟังให้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้บางครั้งมันตึงเกินไปเพ่งเกินไปก็ต้องหย่อนให้มันบางแต่บางครั้งย่อหย่อนจนปล่อยเนื้อปล่อยตัวสติมันเรือลอยออกไปก็ต้องเข้มขึ้นมหม เพราะั้นก็ต้องคอยจดจ่อคอยระวังอยู่อย่างนี้ใจเราก็จะสงบระงับกลับขึ้นมาได้อีกเพรา ะ, ะั้นการที่เราอยู่ในภายนอกกลับบ้านแล้วเราก็เห็นความเสื่อมของใจที่มันปรากฏมันก็เป็นเครื่องระลึกอันหนึ่งที่เราจะต้องคอยรักษาให้มันดี ทำให้มันการงานภายนอกกับการงานภายในมันเดินควบคู่กันไปให้ได้เราจะพึ่งพาแต่ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มันไม่ได้ทำให้เราไปสวรรค์ได้มันไม่ได้ทำให้เราไปพรหมโลกได้มันไม่ได้ทำให้เราไปมรรคผลนิพพานได้แต่การที่เรามาทำงานภายในทำความสงมบระงับให้เกิดขึ้น เอาความสงบที่เรามีในใจคอยรับรู้สิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงว่า น, นี่คือสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนี้คือทุก์นี้คือเหตุเกิดทุกนี้คือความดับของทุก์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก ให้เราตั้งใจเอาความสงบในใจของเราเนี่ยพิจารณาสิ่งเหล่านีนะ้แต่ถ้าความสงบของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ที่เนี่ยเราก็ต้องพยายามประครับประคองให้มันมีกําลังที่มันมากขึ้นแต่การที่เราจะประครับประคองความสงบที่มีให้มันกําลังมากขึ้นเนี่ย สิ่งหนึ่งก็คือความคิดนึกความปรุงแต่งของใจของเราเองเนี่ยที่มันจะเป็นตัวทําให้มันเหมือนกันจิตของเรามจะโดนชักะเยาะกลับม่อีกเพราะั้นบางครั้งบางคราวมันจะปรุงแต่งไปในทางที่เป็นการตริตรึกตรองว่าเราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ก็ขอให้พักไว้ก่อนถ้าเราอยากจะทําความสงบนะ mm hmm. ก็ขอให้พักไว้ก่อน mm hmm. ก็ให้ละเอียดเราอ อ, อยู่กับ mm hmm. ทุกๆประโยคความตั้งใจที่เรามีให้มันอยู่กับการ mm hmm. นึกพุทโธอยู่ mm hmm. ส่วนมันจะบอกนึกช้าเฮ้ยช้าไปเร็วไปเฮ้เมื่อกี้มันเผลอความคิดติดตรึกตรองเหล่านี้เนี่ย mm hmm. ก็ขอให้อย่าต่อเนื่องออกไปนาน ดึงกลับมันกลับมันมาไว้ที่พุโทโธของเราทำความรู้สึกตัวให้มันแจ่มชัดขึ้นมาอีกเพราะเราละเอียดเรอออยู่กับพุโทโธของเราอยู่แล้วเนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งเหล่านั้นมันก็จางลงไปความคิดนึกก็น้อยลงไปความสบายความตั้งมั่น ความสว่างในใจของเรามันก็มีมากขึ้นดีขึ้นมีกำลังขึ้นถ้ามันมีกำลังขึ้นดีอย่างนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเราเลยจากที่เราเห็นเนี่ยว่ามันมีหนังอยู่มีจมูกมีลิ้นมีผมจะผมดำผมขาวก็ดีมองดู ทะลุลงไปในผิวหนังดูมันมีอะไรมีกระโหลกศรีรษะมีกระดูกซี่โครงมีกระดูกไหาปารา้ามีกระดูกเชิงกานกระดูกแข้งกระดูกนิ้วต่างๆเอาใจของเรา เห็นมันเอาความรู้สึกในใจของเราเห็นลงไปบางคนอาจจะเห็นเป็นภาพก็ไม่เป็นไรบางคนไม่เห็นเป็นภาพแต่ปรากฏเป็นความรู้สึกอยู่ในใจของเราเออนี่นะกระดูกนะอันนี้คือสิ่งที่ดีเพราะใจมันเป็นหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์นะถ้าเราดูเห็นกระดูกแล้วเป็นอารมณ์ที่ทำเป็นดูว่ามันเป็นกระดูกอยู่ในใจของเราได้ อันนี้คือดีที่สุดเลยเป็นความรู้สึกปรากฏขึ้นอยู่ในใจว่านี้คือกระดูกของเรามีฟันตรงตานี่มันก็มีพโพรงอยู่ตรงต้นคอมันก็มีกระดูกต้นคอเป็นขอ้อเป็นขอ้อเป็นขอ้นขอลงมาตรงหน้าอกของเรามันก็มีซี่โครงโค้งไปโค้งมาซ้ายขวาซ้ายขวาเนะี่ยลงไปที่เท้า ก็มีกระดูกข้อนิ้วต่างๆที่นนาแข้งก็มีกระดูของเราก็เป็นอยาน่างนี้ของคนที่ว่าสวยคนที่ว่าหล่อเรามองเข้าไปข้างในมันก็อยา่างนี้มันก็เท่ากันเหมือนกันแล้วไอาวอารมณ์สวยอารมณ์หล่อมันอยู่ตรงไหน มันก็มาจับโจรได้อยู่ตรงที่ความปรุงแต่งของใจของเราเนี่ยแหละเวลาที่เราเอากระดูกมามาฉาบทาด้วยเลือดด้วยเนื้อเอาผิวหนังมาโปะเอาผมมาโปะกับกลายเป็นว่าความรู้สึกในใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคนนี้สวยคนนี้หลอ่อคนนี้น่าเกลียดแค่เอากลับมันมาดูภายนอกความรู้สึกในใจก็เปลี่ยนไป แต่พอเราเปิดหนังออกมาเห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นถึงความไม่สวยไม่งามก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเอาเนื้อเอาเลือดเอาออกมากองไว้ข้างนอกเห็นกระดูกก็ได้อีกอารมณ์หนึ่ทงทั้งๆที่มันเป็นคนเดียวกันเป็นคนที่เราอพึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเป็นคนสวยคนหล่ออยู่เลย แต่พอเราเอาหนังออกเต่านั้นแหละความสวยความงามหายไปหมดทั้งที่มันก็เป็นคนเดียวกันทำไมคนเดียวกันใจเรามันถึงมีความรู้สึกไม่เท่ากันก็เพราะใจเรามันเป็นตัวแสบนี่แหละนะความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็พาเรา ออกไปตามเรื่องตามราวของมันแหละความรักความใคร่ความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นคนนั้นสวยคนนี้หล่อเราก็อยากจะไปคุยด้วยพูดด้วยอยากจะไปคบค้าสมาคมด้วยมีความรักเกิดขึ้นมีความรักเกิดขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลาก็พาไปทาให้ใจของเรามันเร่าร้อนรุ่มร้อนไปอีกเพราะอะไรเพราะมันมาจากการที่ เราไม่ได้เห็นมันไปตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราเห็นสมมติของมันก็มีอยู่มีความสวยความงามตามสมมติของมันอยู่ในสมองอเห็นอยู่แต่ในใจของเราเรามีความสงบมีความตั้งมัน่นมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจีรังยั่งยืนเอาสาระเก่นสารอะไรกับมันไม่ได้ เพราะนั้นใจของเราจึงไม่ไหลไปตามสมมติในแบบเก่าๆใจของเราก็จึงจะสบายอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้พอเราไม่ไหลไปตามสมมติเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันจะมาท่วมทับทำให้ใจเราหนักแน่นไปด้วยอารมณ์ต่างๆก็เป็นไปไม่ได้ใจของเราก็จึงว่างอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ ไอคนที่ว่าสวยว่ารอว่างงามนะแยกเนื้อแยกหนังออกมาเนะ่ยเอามาเผาสุดท้ายก็เป็นกองขี้เท่าเท่ากันไม่ได้มีความที่มันแตกต่างกันเลยผู้ชายผู้หญิงก็ดูไม่ออกสุดสุดท้ายค่ามันก็เท่ากันอยู่ที่ว่าเป็นขี้เท่ากองหนึ่งเอาดินกลบให้ดีมันก็ไม่มีอะไรแลไม่เหลืออะไร และขี้เท่ากองนั้นเนี่ยเรามองเห็นไหมว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก็ไม่มีหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในกองขี้เท่าไม่มีพอมันไม่มีแล้วอะไรที่มันทำให้เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาก็คือความไม่รู้ของใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาแก้ความไม่รู้ของใจของเรา มาแก้ใจของเราให้เรามารู้ตามความเป็นจริงรู้ในแบบที่มันเป็นก็คือมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างเที่ยงแท้และแน่นอนแต่แน่นอนเราอยู่ในสมมติโลกเรายังต้องหาอยู่หากินก็ต้องใช้อยู่แต่ใช้ยังไงไม่ให้สมมุติเหล่านี้มันล้น ออกมาไหลออกมาท่วมทับจิตใจของเราให้จิตใจเรามันหนักให้จิตใจเรามันโดนสมมติท่วมทับไปเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างดีเขาจะไม่โดนสมมุติเหล่านี้ท่วมทับจิตใจแต่การที่จะไม่โดนสมมติเหล่านี้ท่วมทับจิตใจเนี่ยการรักษาจิตก็จึงจะเป็นเรื่องสำคัญ สำคัญมากนะสำคัญมากๆเพราะนั้นการที่เราจะรักษาจิตของเราเราก็ต้องมีความตั้งใจที่เราจะรักษาให้ได้อยู่ตลอดตลอดจะทำอะไรก็ดีก็ให้รักษาจิตของเราไปด้วยจะทำอะไรไปล้วก็นึกพุทโธไปด้วยได้เราก็จะเห็นอารมณ์อยู่ในใจของเราเราเดินไปเข้าห้องน้ำล้วก็นึกพุทโธไปเห็นอารมณ์ในใจของเราสงบออกไป สงบแล้วเราเห็นออกไปตาดูข้างนอกไปมันก็ข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นน่วนนี่ไปของมันแต่ใจเราก็ยังสงบอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุทำไมทให้สมมติมันไม่ท่วมทับใจเราได้ใจเราก็ว่างสบายอยู่ได้พอใจเราว่างสบายอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเจริญเมตตาเมตตา ม, มันก็เกิดตรงนี้แหละ เกิดมาจากใจที่เรามีความสงบสบายพอมีความสบายความเมตตาความยินดีที่มันจะให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็มีได้ง่ายกับการที่เรามีจิตใจรุ่มร้อนเร่าร้อนแล้วเราบอกเราจะเจริญเมตตาเนี่ยมันทำยากเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเราเมัอนเร่าร้อนและรุ่มร้อนแล้วค่อยแก่เหมือนคนป่วยเราป่วยเราก็ไปหาหมอ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเราก็รักษาสุขภาพของเราไม่ให้เราป่วยจะดีที่สุดเพราะนั้นการรักษามันก็ไม่ดีเท่าสู้กับการป้องกันนะแท น, นการที่เราป้องกันจิตของเราจากการคิดผิดเห็นผิดสำคัญผิดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด พยายามรักษาใจของเราอย่างเราเดินไม่ต้องอะไรมากเดินไปมาในเมืองเนี่ยเห็นคนนั้นเห็นคนนี้บางทีเรารู้สึกอ่ะคนนั้นเออหน้าตาดูดีนะพอเรานึกได้อย่างนี้เนี่ยว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บรีบดึงใจเรากลับมากลับมาที่พุทโธในใจของเราแสดงว่าอะไรแสดงว่า สติของเราเนี่ยมันเผลอไปแล้วมันเผลอมันมีช่องที่จิตของเรามันมีรอยรั่วให้สติของเรามันเผลอออกไปเผลอไปทางตาใจของเราก็ส่งความยินดีพอใจไปทางตาต่างกับการที่ตอนที่เรารักษาจิตของเราได้ดีนะจิตของเรามีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในภายในเห็นข้างนอกก็เห็น แต่อารมณ์ในใจมันไม่ได้มีความยินดีเพลิดเพลินไปกับสมมติที่มันปรากฏขึ้นตามความปรุงแต่งในแบบเดิมๆเพราะนั้นการที่เราจะเห็นในความตามเป็นจริงอย่างนี้ได้เนี่ยสติสมาธิมันจึงเป็นบาทขาสสำคัญการที่เราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็เป็นชื่อที่เป็นคนที่ชื่อว่าเราก็เดินปัญญาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่ามีสมาธิทำสมาธิเสรแล้วก็ไปเจริญปัญญามันก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็คู่คู่กันไปนะทาคู่กันไปมันเป็นของที่มันต้องอาศัยต่อเนื่องกันไปพอเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปได้นี่ก็คือเราเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆ เราก็จะเห็นโทษของการที่เราคิดผิดสำคัญผิดเข็นผิดเกิดอารมณ์ที่มันหนักท่วมทับอยู่ในใจของเราพอเราเห็นโทษอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรายิ่งรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่ให้สมมติมันกลับมาท่วมทับเราได้แต่แน่นอนว่าถ้าการงานมากเนี่ยมันก็จะต้องต้องมีบ้างแหละเพราะฉะนั้นก่อนนอนก็ดี หรือว่าหลังตื่นนอนก็ดีก็เป็นช่วงที่เราจะได้เคลียระให้ใจเราได้พักให้ใจเราได้เอาสมมติเนี่ยที่มันยังค้างค้างอยู่ในใจของเราเนี่ยเอาออกไปพอใจเรามีความสงบมีความอิ่มเอิบมีความสบายก็ประคองมันไว้ให้ดีเร า, เาไปสู้กันไปในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็อย่าลืมว่าการงานภายในเราก็ต้องพึ่งนะพึ่งพุทธโทนี่แหละถ้าเราดูลมหายใจอย่างเดียวบางทีมันอาจจะรู้สึกไม่เข้มข้นพอก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบวกคำบริกรรมเข้าไปด้วยนีครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นการเตือนสติของเราได้เข้มข้นขึ้นเป็นการที่เราจะตั้งที่อยู่เป็นฐานที่อยู่ของใจให้เราได้ดีขึ้นเข้มงวดขึ้น นึกพุโทโธอยู่บ่อยๆเวลาที่ใจเราบางทีเรานั่งเนี่ยนั่งไปทํางานไปหรือแม้กระ ท, ทั่งแบบไปดูโทรทัศน์หรือฟังฟังเพลงฟังวิทยุก็ตามใจของเรามันก็แอบขโมยหนีไปนะมันเป็นช่องให้มันออกไปเพรา ะ, ะเรามีคำบริกรรมติดเอาไว้ติดอุดช่องนี้มันจะออกไปอุดช่องอะไรอุดช่องความสนใจ ที่มันออกไปตามเสียงตามรูปตามความคิดเนี่ยอุดเอาไว้เอาวุโทโธอุดเอาไว้พออุดเอาไว้มันก็อยู่ข้างในพอมันอยู่ข้างในมันก็สงบได้พอมันสงบอยู่ได้ใจเราก็สบายพอสบายมันก็เห็นตามความเป็นจริงได้ ว่าคนอบมันก็อย่างหนึ่งโอ้มันสมมติที่เราเคยสมมติไปเป็นแบบนั้นแบบนี้มีความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์แบบเก่าๆจากการดูจากการฟังพอสักพักหนึ่งมันก็มาเป็นอารมณ์ที่มันสะสมอยู่ในจิตของเราพอมันเป็นอารมณ์สะสมอยู่ในจิตของเราอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้รักษาจิตต่อไปอยู่อย่างนี้มันก็เป็นขยะอยู่ในใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็สู้ไม่ไหว ทุกเนี่ยมันแปลว่าทนได้ยากทุกขะเนี่ยคมาธาตุในความอดทนอดกลั้งเนี่ยทุกแ็แปลว่าชั่วแปลว่ายากก็หมายความว่าทนได้ยากใจเราทนได้ยากพอมันทนไม่ได้เนี่ยแน่นอนนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะความเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมีความไม่สบายเกิดขึ้นมีความ เศรมองขูดมัวที่มันทนได้ยากเกิดขึ้นแต่สุขนี่มันแปลว่าสบายไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสุขมันก็คือมันก็สบายไปนะคือไม่ต้องทนอะไรพอความทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็คือใจของเรามันทนไม่ได้ทนต่ออารมณนน์นั้นๆไม่ได้เพราะมันแน่นเพราะมันหนักเพราะเราต้องรักษาให้ดีมีพุทโธ มีธรรมโมมีสังโคเป็นที่พึ่งช่องไหนที่มันจะเอาใจของเราออกไปเอาพุทโธอุดเอาไว้เอาธรรมโมอุดเอาไว้เอาสังโคอุดเอาไว้ประคองสติเอาไว้มีความยินดีพอใจในการงานภายในในทุกๆประโยชของการทำงานภายในไม่ใช่แต่เฉพาะการงานภายในนะ การงานภายนอกเนี่ยเราก็ต้องมีความตั้งใจมีความใส่ใจแต่นี้เรากาลังพูดถึงความสุขความทุกของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ภายในจึงเป็นสิ่งสำคัญก็เน้นอยู่ตรงนี้มีความตั้งใจอยู่ในใจของเรามีพุทโธเป็นที่พึ่งมีธรมโมเป็นที่พึ่งมีสังโฆเป็นที่พึ่ง พอเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเราจึงจะได้เห็นตามพระบาลีที่ว่ายะถาภูตังประชานาติคือรู้ตามในแบบที่มันเป็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาอย่างจริงๆแล้วสิ่งใดที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาก็คือความไม่รู้ของใจของเรานั่นเอง เวลาที่ความไม่รู้มันมีอยู่ในใจของเราความอยากมันก็ยังมีอยู่ในใจของเราคือตัณหาเนี่ยเนะีเพราะมันไม่รู้มันก็มีความยินดีมีทันทีมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเกิดขึ้นเพราะมันยังเห็นว่ามันเป็นของดีเราก็ยังจึงเข้าไปซ่องเสพอยู่เพราะฉะนั้นการที่ ขั้นตอนสุดท้ายของการที่เราจะทำให้มันเป็นเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็คือมันคนเลิกบุหรีอ่อะนะเลิกไปได้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งแต่พอคิดว่าไอเราเลิกได้แล้วนี่ลองสักตัวก่อนดีไหมไออยากจะลองนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยตรงนี้แหละเออฉันก็ดีแล้วนะเอออย่างไม่เป็นไรหรอกสักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรือแม้แต่คนที่ เป็นเบาหวานเงี้ยเอ้ยฉันลดน้ําตาในเลือดได้แล้วเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสักสักเค้กสักก้อนหนึ่งไอไอความอยากเล็กๆน้อยๆที่มันคอยกระตุ้นใจเราอยู่ตอนปลายทางนี่แหละอันนี้สําคัญอย่าปล่อยให้ความอยากตัวนี้เนี่ยมันมาพังสิ่งที่เราสร้างทําความดีมาแล้วอย่าให้ความอยากไอเล็กเล็กน้อยๆสุดท้ายเนี่ยทําให้เราย้อนกลับไปสู่ วัฏฏะเดิมเดิมเราเป็นผู้ที่เราจะหนีออกจากวัฏฏะเป็นผู้ที่จะตัดวัฏฏะสงสาร น, นี้ออกไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความไม่รู้ของใจความอยากกระตุ้นที่มันยุด ก, กระตุ้นอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นตัวเาเรียกว่าเป็นตัวแสบเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นระวังสิ่งตรงนี้ให้ดีให้เรา อย่าไปไหลาตามสิ่งเหล่านี้ให้เรามีพุโทโธมีธรรมโมมีสังโฆเป็นที่พึ่งของใจของเราเันที่ได้บรรยายธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง